ค่ะขอบคุณค่ะลูกพระพุทธเจ้าต้องทำอย่างนั้นเมื่อกี้ไข่ ย, ยกไว้ออคนนี้คุณตรงบังคับแรงไปนิดนึงดูออกไหมทําไมต้องบังคับไม่เหนื่อยหรอนมาสการหลวงพ่อค่ะอยากให้หลวงพ่อเมตตาตรวจส ว, วัสดธรรมสวาสดธรรมให้หน่อยนอะคะหลวงพ่อก็เมตตาเยอะนะวันวันหนึง่ง <laughs>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 เอาเด็กเก่าก็ได้ใกล้ๆเดี๋ยวจะได้ไม่วกมาทางนี้ขอโอกาสคะ่ะหลวงพ่ อ, อ, อตื่นเต้นก็เดกันบานไปออกแล้วคะ่ะแล้วลืมไปแล้วเหรอเดี๋ยวค่ะหลวงพ่อที่มันแน่นๆอยู่ทุกวันเนี้ยมันเป็นเพราะว่าไปกดมาหรือว่าไปกดมันไว้กดเกินไปอะค่ะกดกดนิดเดียวก็เรียวกว่ากดมากไปแล้วเพราะไม่กดเลยเพราะว่ามันแน่นมาประมาณอาทิตย์มันเป็นช่วงๆอะค่ะหลวงพ่อสังเกตที่ใจที่ไม่ชอบนะ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 วความสบายเป็นเหตุให้เกิดความสง บ, บในทางนู้นทั้งหลังก่อนใกล้ๆเดี๋ยวนู้นสีชมพูนะกาบนมัสการ <c oughs> หลวงพ่อคะ่ะเมื่อคืนวันพฤหัสนะฮะก็นั่งวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันเสาร์ค่ะนั่งสมาธิอะค่ะก็เห็นจิตมันจะรวมแล้วลงไปก็ไปฝืนอพอฝืนว่าก็รู้สึกว่าปวดหัวปวดหัวสิค่ะ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 ค่ะเ ข, ข้าก่อนหลวงพ่อให้ส่งกันบ้านให้ให้กันบ้านไปทมบอกว่าอย่าเฉยเกินไป <c oughs> แต่ทีนี้โดยโดยโยมเองมีความรู้สึกว่าการบ้านของคนอื่นที่ส่งกับหลวงพ่อมันดูสนุกอะฮะของโยมดูมันจืดจืดยังไงไม่ไม่ตื่นเต้นนะคะจะเอาอะไรทางใครทางมันสิดูมันจืดมากๆเลยค่ะหลวงพโลกนี้มันจืดชืดโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกโลกนี้เป็นแกงจืดไม่ใช่ต้มยำหรอก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 มันมันจะรู้สึกแบบว่าเออไม่รู้สิเออโงเวงหรือว่าแบบเอออะไรอะเวงว่างอะไรประมาณเนี้ยอะไรนะมันจะรู้สึกเออโงเวงไม่ก็เวงว่างอ่ะเออภาวนาดีนะเราก็รู้สึกโงงเวงเวง ว, งว่างนะ <c oughs> ดูไปเรื่อยๆ <c oughs> แต่อย่าให้ใจเราไหลไปในความโงงเวงนะั่นนะใจเราเป็นแค่คนดูความวงเวงอยู่ห่างๆใจเราดูถ้าไหลไปรวมกันเดี๋ยวเราจะไปติดความว่าง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 กิเลสก็อยู่ส่วนกิเลสสิจิตก็อยู่ส่วนจิตต่างคนต่างอยู่ไม่เกี่ยวกันเจาค่ะขอบพระคุณเจ่ะมาทางนี้ทีมนี้ยกเก่งเหลือเกินยกเหนียวแน่นเออเจ้าค่ะเอ่านผู้ชมท่านผ่าม่าทานชมน้ทน่มทนผู้ชน้ชมท่านผู้ชมท่าน้นนท่าน หลวงพ่อต้องหาล่ำลายหลายภาษาตอนนี้มีญี่ปุ่นมีฝรั่งยังขาดล่มจีนน้องคุณธนาเวลปาปานามานะก็เป็นล่มจีนอเอ่อเอ่อ我的问题是他准备好了吗？啊，他先讲。我的问题是我是一个很忙碌的老师。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 ออกไปปฏิบัติธรรมนะเดี๋ยวไปเจอสภาพแวดล้อมนั้นไม่ยอมรับอีกก็ทุกขอีกแลถ้าอย่านก็ไงทุกขับสี่ี้องไปทุกข์กสิ่งที่ดีก็ลม่ต้องไปทุกขับสิม่ดีม่้องไปทุก你์กับสิ่งที่ดีก็ไม้อปี้สงไม่มองมอ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 เขาบอกว่าเขาเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์มหาลัยสอนอยู一段一段่เป็นเจอ่าเป็นอัยศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่งเพิ่งเกษียณออกมาก็เลยว่าอยากจะถามอาจารย์เกี่ยวกับปัญหาครับขี้นอ่ะคือไม่หรือ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 ถ้าไม่ได้ก็อย่าเสียใจนะอย่าเสียใจบางคนได้แล้วเสียใจเลยเนี่ยนวัตการมเขาหลวงพอเดี๋ยวหลวงพ่อจัดการคนนี้ก่อน <c oughs> <c oughs> อย่าเสียใจไปเลยท <c oughs> ี่ภาวนาอยู่นะมันก็ดีอยู่แล้วนะ <m ai> ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยในการภาวนา <c oughs> เราหัดรู้หัดดูของเราไป <m ai> ไม่ได้มีปัญหาสักนิดเดียวสภาวะอะไรอะไรก็เห็นอยู่ทุกอย่างอยู่แล้ว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 ก็รู้ไปสินะก็ให้รู้อยากใช่ดีใช้ได้ภาวานาใช้ได้แล้วจริงๆพวกเราที่ถามถามนะจริงๆไม่จำเป็นต้องถามเลยเพราะดูเป็นแล้วดูเป็นแล้วดูไปเลย ค, คือไม่ได้มหาหาหลวงพ่อสมเดือนแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่ายอยากคุยหลวงพ่อยากเผือผ่อหลวงพ่ อ, อจะมีอะไรแนะนำอ่ะที่ฝึกอยู่นะดีแล้วนะแต่อย่าไปเพ่งมันเนี่ยพอหลุดออกมาจากการเพ่งรู้สึกหมมันเคลื่อนไหวอ ย, อย่างนี้ใช้ได้รู้ไปอย่างนี้